พี่น้องประชาชนจัทตาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องใครไปใครมาถ้าไม่มีพระเวรไม่มีใครอยู่ฉลาจะเลยวัดใหญ่ขนาดนี้เวลาญาติโยมเข้ามาหาเลืพระจากต่างถิ่นเข้ามาวัดก็มไม่รู้จะไปหาใครเงียบไม่รู้จะตามหาใครที่ไหนเพดัะนั้นวัดของเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีพระเวรพระเวรองหนึ่งเฝ้าอยู่เจ็ดวัน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 ขวนปฏิบัติอย่างไรขวนแนะนำอย่างไรกับสำหรับพระใหม่ผู้เข้ามาให้เจ้าของถิ่นต้องเป็นผู้แนะนำบินร บ, บาตเวลาเท่าไหร่ชั้นที่ไหนทำอย่างไรพระเวทจะต้องอธิบายให้พนักวัะที่เข้ามาให้เข้าใจกฎระเบียบของวัดอันนี้ก็คือพระเวณศาลามีหน้าที่กว้างขวางพอสมควรนะ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 บ่วงแหงมือฮัททปาสั่งภาษาบาลีว่าหัตถปาสั่งบ่วงแห่งมือนี่พอมาเกอกสับหัวถึงนี่แลหละจำไว้นะบัดเนียผมก็เลยจำมาจะพูดนะลูกหลานเนี่ยศรัทธาญาติโยมลูกหลานเยคำว่าไปเคนประเคียใ ห, ให้ห่างพอมาเกอกสับหัวถึงเด้อ <c oughs> พอมาเคิกสับหัวถึงหน่อยทีนี้ถามว่ายกสูงขนาดไหนครับลงอาย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 เจ้าขี่เจ้าการเพอเพอจะเก่งกว่าพระอีกต่างหากจัดการให้พระทั้งหมดเลยพระก็ยิ่งไม่พูดเหมือนกับพระประธานเอ่มายังพันเตนนงนอนหิตูปีถวายพระพุทธรูปเสร็จแล้วออก็เอาตัวเองออกมากินพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเฉยออันนี้อยู่ต่อไปพระสงฆ์มันจะเป็นพระพุทธรูปเองนะ่าหลวงพ่อว่านะอันนี้คือเป็นแนวความคิดให้พวกเรานะาพวกเราได้ฟังได้ศึกษา